เวลาพวกเราภาวนานะใจมันสว่างรู้สึกตัวไหมมันสว่างกว่าเก่านะก่อนนะั้นมืดตึดตือความมืดสู้แสงสว่างไม่ได้สว่างมีสองอันนะสว่างของสมาธิกับสว่างของปัญญาก็ไม่เหมือนกันสว่างของสมาธินะั้นก็สว่างอย่างนั้นแหละ สว่างของปัญญาดูฉลาดด้วยพวกเราใครสว่างแบบฉลาดบ้างเหมนไหมเริ่มเป็นบ้างยังเห็นรูปนามสแสดงใจลักไหมที่จริงพอขันแยกนะนีเก็สว่างไปอีกแบงค์หนึ่งนะจิตมันเดินปัญญานะมันดูสดใสดูฉลาดแต่ว่าตดูยังไงดูฉลาดเราต้องฉลาดถึงจะดูออก ต้องฉลาดที่จะดูไม่ใช่เรื่องปฏิหารเพราะเวลาจิตใจของเราเป็นไงนนะมันออกมาที่หน้าตาเรานหน้าตาเราสดชื่นหลายคนเลยบอกว่าตวเตรียงสวยกว่าเก่าพูดแบบเกรงใจนะมันจริงอยากจะบอกสูสวยมีสมาธินะใจตั้งมั่นขึ้นมาเขาดูดีกว่าเก่าแล้ว คนในโลกมันเต็มไปด้วยคนหลงแล้วกระแสของกิเลสนะรุนแรงมากเลยโลกข้างนอกนะกิเลสแรงรุนแรงความรุนแรงก็เต็มไปหมดเลยมีในในวงกรรมฐานที่เราเรียนกันเนี้ยสว่างสวายไม่ใช่กรรมฐานงงงง่ายด้วยพวกเรากรรมฐานรู้รูปนามตามความเป็นจริงไม่ได้เชื่ออะไรงไงงาย การใช้ชีวิตของเราเนะั้นก็มีเหตุมีผลมากขึ้นเรารู้อะไรถูกอะไรผิดอะไรควรทำอะไรไม่ควรทํารู้จักเลือกดำรงชีวิตได้ดีขึ้นสบายขึ้นอนะรู้สึกบ้างหมั้ยทั่งทางโลกนะชีวิตทางโลกเราก็สบายขึ้นคนไหนตัวเองสบายขึ้นนี่ไม่ต้องถามนะสบายขึ้นแทบทุกคนนะ่ะ ในบ้านบ้านไหนที่เริ่มดีขึ้นบ้างละมีไหมมีมั้งไหมในบ้านในหลายๆคนในบ้านเริ่มเปลี่ยนแต่เดิมเราร้อนนะเข้าบ้านเนี่ยเหมือนเข้านรกเลยเหมือนไปเยือนนรกเราพาวนาเราเรื่อยๆคนในบ้านเราเขารู้เขาเห็นเขาก็สนใจพาวนาขึ้นมาในบ้านเราร่มเย็นพวกเรารู้สึกแหมเข้ามาอยู่ในบ้านเราสว่างสวายเราสบาย มันเป็นมวลรวมของจิตใจพวกเราแต่ละคนซึ่งพยายามลดละกิเลสของตัวเองไม่มีอะไรเร็วเท่ากิเลสหรอกกิเลสที่เร็วที่สุดคือกิเลสของเราแหละกิเลสของคนอื่นไม่มาทําให้เราเร็วหรอกนั่นกิเลสตัวร้ายเลยของเราเองพระพุทธเจ้าสอนให้เรามาต่อสู้เอาชนะมันวันหนึ่งเราต้องหมด พ้นจากอำนาจของกิเลสให้ได้กิเลสมันครอบงำใจอยู่นั่พาให้เราคิดผิดให้เราพูดผิดให้เราทำผิดผิดไปหมดกิเลสอยู่ที่ใจมีสติรู้ทันไหมกิเลสไม่มีรูปตัง้งเป็นนมามธรรมแต่มีลักษณะที่เรารู้ได้รู้ไหมความโกรธมีลักษณะยังไง มีลักษณะทำลายล้างรู้สึกไหมทำลายล้างรุนแรงผลักเวลาความโกรธเกิดขึ้นเราอยากจะผลักอารมณ์ให้กระเด็นออกไปเนี่ยมันมีลักษณะของมันที่เราสังเกตร่องรอยของมันได้อย่างความโกรธเกิดขึ้นใจมีอาการอยากผลักอารมณ์ออกไปความโลบเกิดขึ้นก็มีอาการอยากดึงอารมณ์เข้ามา เรารักอะไรชอบอะไรนะอยากให้สิ่งนั้นมาอยู่ใกล้ๆเราเกลียดอะไรก็อยากให้สิ่งนั้นพ้นๆไปเร็วๆโมหะความหลงฟุ้งซ่านจับอารมณ์ได้ไม่มั่นอารมณ์เปลี่ยนปุ๊บปั๊บดูไม่ทันน่ลักษณะของกิเลสแต่ละตัวมันมีลักษณะเฉพาะของมันเองมันทำให้เรารู้ว่าโทสะก็ไม่เหมือนราคะไม่เหมือนโมหะ ราคาก็ไม่เหมือนโทสะไม่เหมือนโมหะแต่โมหามันเก่งอย่างนะตัวมันตัวเดียวนี้ราคาโทสะเกิดร่วมกับมันได้ราคากับโทสะไม่เกิดด้วยกันเกิดร่วมกันไม่ได้เพราะมันทั้งดึงทั้งผลักมันคงวุ่นวายมากเวลาที่มันดึงอารมณ์ก็คือดึงอย่างเดียวเวลาผลักก็ผลักอย่างเดียวแต่ในขณะที่มันดึงอารมณ์มันผลักอารมณ์นั้นมันหลงอยู่ด้วย ทำไมมันดึงอารมณ์มันปลักอารมณ์แล้วมันหลงอยู่ด้วยถ้ามันมีสติอยู่ไม่หลงอยู่ราคาโทสะก็มีไม่ได้ถ้ามีสติก็ไม่หลงไปรู้เนื้รู้ตัวอยู่ราคาโทสะก็ไม่มีช่องให้เกิดไม่มีช่องโหว่ที่จะเกิดได้เนี่ยเรามาเรียนรู้กิเลสของตัวเองค่อยๆเรียนไปมาละเล็กวาละน้อยที่แรกเราเห็นไปกิเลสหยา บ, ยบๆก่อน อย่างหลวงพ่อขี้โมโหนะเป็นคนที่ใจร้อนเวลาต้องประชุมอะไรกับคนที่พูดยาวๆนะอุ้ยทีแรกโมโหมากเลยเห็นหน้าคนนี้มาประชุมแล้วก็เบื่อเต็มทีละและหลังภาวนาเป็นไม่เบื่อแกพูดไปนะแล้วก็ลืมตายอย่างนี้แหละแล้วก็ภาวนาของเราไม่ได้ยินหออกว่ามพูดเลยนานๆก็แยบออกมาฟังแล้วทีเพราะอย่างเรื่องเก่า mm hmm. แล้วก็กลับเข้าไปใหม่ บางคนเคยเจอไหมมันพูดเป็นชั่วโมงเลยไม่มีเนื้อมีแต่โวหารหาสาระไม่ได้นี่หลวงพ่อโดยตัวเองนะธรรมชาติเดิมนี่เป็นพวกใจร้อนพวกโทสะจริตสังเกตดูวิธีพูดของหลวงพอ่อสังเกตไหมจะตัดคำทิ้งไปเยอะเลยถ้าไปถอดเทปคำพูดของหลวงพ่อนะแล้วมาอ่านเนี่ยใเพราะว่าในประโยคนี้มีคำที่หายไป เดี๋ยวก็ประทานหายเดี๋ยวกําหายเดี๋ยวกิริยาหายเวลาพูดเราพูดรู้เรื่องแต่พออ่านเนี่ยจะอ่านยากละเพราะฉะนั้นเวลาอ่านจะต้องเขียนอีกแบบหนึง่งต้องเขียนภาษาเขียนเวลาพูดมันภาษาพูดทีมก็ละคําบางคําไปทีก็เติมคําบางคำเข้าไปเราั้นถ้าใครถอดเทปหลวงพ่อนะคําแหว่งๆก็ไปเติมซะไงั้นอ่านยาก เพราะภาษาพูดกับภาษาเขียนไม่เหมือนกันทําไมพูดแล้วคาแบ่งๆเยอะเพราะว่าใจร้อนโดยนิสัยไม่หายหรอกไม่หายเป็นความเคยชินที่จะใจร้อนไม่ใช่โกรธแต่ว่าแต่ก่อนเนะี่ยโกรธด้วย <laughs> โทสะขี้มโมโหพอมาหัดดูจิตดูใจนะตัวแรกๆที่เห็นก็คือโกรดนี่แหละขัดใจโกรธอย่างแรงๆไม่เห็น รู้สึกวันหนึ่งโกรธหลายทีพอาหาัดทานามากเข้าสติเร็วเข้านะ่มันไม่โกรธแล้วมันขัดใจมันขัดใจไอน้อนองก็ขัดใจนี่ก็ขัดใจละเอียดเข้าไปเป็นลาคาลขัดใจกับลาคาลดีกรีก็ไม่เท่ากันใช่ไหมลาคาญขัดใจนี่มันใกล้จะโกรธเต็มทีละ ว, <laughs> วันหนึ่งนะอยู่ในห้องที่บ้าน มันก็เย็นๆนี่นะมีทุละต้องออกจากบ้านเปิดประตูไปแสงแดดกระทบเปลือกตาขัดใจตอนนี้นเห็นโอ้โหมันละเอียดขนาด น, นี้ใช่ไนะค่อยๆเห็นเองทีแรกเราเห็นของหยาบก่อนค่อยหัดรู้หัดดูบ่อยๆนะถ้าไปเราเห็นกิเลส ท, ที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นลำคาญ น, นิดนึงก็รู้ละที่วัดมีแมงวีแมงวันเยอะช่วงฤดูร้อนเนี่ย เวลามันมาตอมลำคาญไหมโบกทีแรกก็บอกเบาๆให้ไหมต่อมามาหลายรอบแล้วบบกให้เร็วหน่อยดีกรีมันเพิ่มดีกลีมันเพิ่ ม, ม, มทีแรกลำคาญนิดหน่อยถ้าอยากวางฟอร์มเป็นคนดีมีศีลธรรมก็สัตว์โลก <c oughs> ถ้าคนเผลอก็เอาแรงหน่อยนกิเลสนะั้นมายามานยาไม่ใช่มายามานยาใครยังมานยาเป็นบ้างยกมือสิมีพวกไม่ไมยกไม่สารภาพเป็นทั้งนั้นแหละมานยายังมีอยู่นะมันไม่ถึงกิเลสเต็มขั้นเกือบๆแนละ้ว มีมันยาค่อยๆเรียนนะค่อยๆดูไปทีแรกเราเห็นกิเลสหยาบต่อไปมันก็ละเอียดขึนนะ้นเห็นพวกนิวรพวกนิวรนิวรเป็นความฟูงซ่านของจิตฟูงไปด้วยความยินดีในอารมณ์กรรมฉันทะนิวร ฟุ้งไปแล้วก็ยินร้ายในอารมณ์เป็นพยาปาทะนิมนเวลาเราไม่ชอบอะไรใจเราก็ฟุ้งไปหานั้นอังเกตไหมยังไม่ทันโกรธนะแต่เราไม่ชอบอะไรสักอย่างใจเราจะวิ่งไปหานั้นอย่างเราซื้อเสื้อมาสวยๆนะแล้วกลับมาถึงบ้านเราเห็นมันมีเส้นได้ขาดอยู่เส้นหนึ่งใจเราจะวิ่งไปหาตรงนเนี้ยเนี่ยพยาปาทะพยาบาทเสื้อตัวเนี้ยขาดอยู่หน่อยหนึ่งเส้นหนึ่ง ใครจ้างเ้ารีดผ้าบ้างมีไหมจ้างคนอื่นรีดผ้าใครรีดผ้าเองบ้างเวลาเรารีดผ้าเองแล้วตอนจะมาใส่เราเจอผ้ายับเรารู้สึกไงดีกลีอย่างหนึ่งนะไปจ้างเขารีดแล้วตอนหยิบมาใส่เจอผ้ายับรู้สึกไงแรงกว่ากันนะเนี่ยมันจะมีระดับนะถ้าเรารู้จักดูรู้จักสังเกตนะมันละเอียดนะสนุกอะ่ะ เรียนรู้อะไรจะสนุกเท่ากับเรียนรู้ตัวเอง<ม>เรียนรู้คนอื่นก็เท่านั้นแหละ<ม>เรียนรู้ตัวเองสนุกสนุกมีอะไรที่เรานึกไม่ถึงเยอะเลยสิ่งที่นึกไม่ถึงอือเราเลวกว่าที่คิดร้ายกว่าที่คิดเป็นไหมใครรู้สึกว่าร้ายกว่าที่คิดมั้งใครมารยาหลอกลวงว่าร้ายกว่าที่คิดยกมือแล้วมันได้หน้ารู้สึกไหม เนี่ยให้รู้ทันลงไปนะเรียนกับหลวงพ่อทนหน่อยนะถ้าเราเรียนปอกเปลือกฉีกหน้า ก, กากดูตัวจริงของเราเองไม่ต้องแสดงให้คนอื่นเห็นก็ได้นะแต่เรารู้ของเราต้องรู้เอาครูบาอาจารย์ท่านก็ทำนะท่านทำด้วยเมตตาอย่างบางคนนะข้าไปท่านก็ดูเอาวกวาพวกวัก บางคนไปท่านก็โอเอ า, ท, า, ท, าทั้งๆที่ไอคนที่ท่านดุเนี่ยพื้นฐานจิตใจสูงกว่าไอคนที่ท่านโออีกเนี่ยเนความเมตตาของท่านถามว่าท่านเล่นละครไหมเล่นเล่นแต่ไม่ได้ถูกกิเลสพาให้เล่นท่านแสดงต่อคนนี้อย่างนี้แสดงต่อคนนี้อย่างนี้ทําไปด้วยเมตตาล้นๆเลเมตตาเสมอกัอนด้วยบางคนนะครูบาอาจารย์โอ ทำไมต้องโอมมากมันแยนะ่ถ้าไม่โอ้มันนะมันไม่มีกำลังใจภาวนาอย่างนี้ก็มีนะหรือบางคนมาขอให้ทำอะไรนะท่านทำให้หมดเลยพูดคำเดียวท่านทำให้เลยไม่ทันจะพูดขยับมานะท่านรีบทำให้เลยก็มีนะกลัวมันกโกรธถ้าคนไหนมันเข้มแข็งนะโห้ยโดนโขกโดนสับนะนี่เราสังเกตนะเวลาที่เราเรียนธรรมะ ถ้าเราโดนธรรมะแรงๆนะสนแสดงว่าคุณภาพเราสูงละถ้าโอ้โอโอนะป่วยแตกยังใช้ไม่ได้นะหล่งพ่อเ็เห็นครูบาอาจารย์ท่านทำอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่มารยานะท่านทำด้ยวยความเมตตาจริงๆเลยยังเคยเห็นหลวงปู่เทศใครมาถามท่านพูดพูดอธิบายไปเรื่อยเรารู้ว่ามันแกล้งถาม มันอยากคุยกับท่านเราก็โมโหโมโหเยยคนถามก่อนแล้วพอหลวงปู่ตอบจะหลวงปู่ทำท่าจะเหนื่อยนะเราชักโมโหหลวงปู่เนี่ยความกรุณานะพลิกเป็นโทสะเนะี่เห็นแล้วตกใจเลยนะต้องขอขอมาเลยลท่านอะดเีเราเราเปนไม่ดีเห็นใจหรือบางคนท่านแล้วโอ้ะประคบประงบมาก ไม่ดีไม่ค่อยดีท่านบอกว่าถ้าไม่พูดกับเขาเดี๋ยวเขาโกรธเขาโกรธเดี๋ยวเขาบาปนะีนะ่ความเมตตาพวกเราก็ต้องมีเหมือนกันเราปฏิบัติต่อคนนี้ใช่ไหมแบบนี้ปฏิบัติต่อคนนี้แบบนี้ไม่ใช่ปฏิบัติกับทุกคนเหมือนกันนะความเป็นกลางไม่ใช่ทํากับทุกคนเหมือนกัน ความเป็นกลางหมายถึงว่าไม่ได้ทำเพราะรักเพราะเกลียดหรอกทำด้ความมีเหตุผลด้วยความเมตตากรุณาแต่ละคนแต่แต่ละคนปฏิบัติไม่เหมือนกันหรอกไม่งิ้นมั่วนะอย่างเราเจอพระดีกับพระอารัชีเ้วเสมอกันปฏิบัติเสมอกันไม่ถูกเจอพระไม่มีศีลไม่มีธรรมเราก็ต้องไม่ไม่เคารพไม่กราบไหว้ไม่สนับสนุน เดี๋ยวพระมีศีลมีธรรมก็ลบกลับไหวสนับสนุนไม่ใช่เท่าเทียมกันแต่เท่าเทียมในใจในใจเราเนี่ยคอยวัดใจตัวเองนะคอยรู้ทันทั้งกุศลทั้ง อ, อ ก, กุศลเกิดอยู่ที่ใจกิเลสอะไรเกิดถ้าหัดรู้ไปทีแรกที่ได้รู้แต่ของหยาบต่อไปมาละเอียดนะมันละเอียดประนีตประณีตขึ้นไปถึงว่าหนึ่งเราจะเห็น ความหน้าขยักขยแงของตัวองเราจะพบว่าทุกคราวที่คิดทุกคราวที่พูดทุกคราวที่แสดงออกทางร่างกายมันมีเซลล์อยู่ข้างหลังทำอะไรเนี่ยสนองเซลล์เวลาจะคิดก็คิดเซิร์ฟตัวเองเวลาจะพูดยิ่งเรื่องพูดเนี่ยดูง่าย เวลาพูดเนี่ยหรือการกระทำทั้งหลายเรามันมีเซลล์อยู่ข้างหลังแค่ทิ้งขยะนละยยังมีเลยเขยะโยนลงถุงเนะี่ยยังมีเลยมีมากเนปะ็นมากมันอยู่ที่ใจนี่พอเราเห็นว่าทุกการกระทำของเรานะมันมีความเป็นตัวกูตัวกูซ่อนอยู่สนองอัตตาตัวตนเนี่ยย้ำ ย้ำกับตัวเองย้ำกับคนอื่นนะฉันยังอยู่ฉันยังอยู่กลัวเหลือเกินว่าฉันจะไม่มีเพราะพระ เ, เจ้าสอนให้เราดูจนเห็นว่าตัวเราไม่มีแต่เรานั่งกลัวมากเลยว่าตัวเราจะไม่มีทำรรมากก็ยังสมบูรณ์อยู่ทําไมคนไปนิพพานได้น้อยเพราะเรายอมรับความจริงไม่ได้เรารักในความมีตัวมีตนของเราพอเราเริ่มเห็นว่าตัว ต, วตนไม่มีเรารับไม่ไหว ไม่ได้ไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากดูทุกวันนี้ทําไมเราต้องไปยุ่งกับคนอื่นที่ทั้งที่ไม่จําเป็นนะอย่างถ้าไปยุ่งเรื่องทำมาหากินเรื่องสงเคราะห์เรื่องอะไรนี่ยไม่เป็นไรแต่เป็นอย่างพวกที่เล่นเฟซเล่นไลน์นึกออกไหม้องวัดใจดูลึกๆนะมันก็มีส่วนหนึ่งที่จะประกาศว่าฉันยังอยู่วันนี้ฉันได้ไปกินข้าวหมูแดงที่นี่ คนอื่นเขารู้แล้วเขาได้ประโยชน์อะไรแต่ว่ามันสนองอัตตาสนองเนี่ยกิเลสนะกิเลสลึกๆ ล, ล, ลงไปทำไมเราจะทำอะไรวันนี้สีราชาอากาศร้อนต้องไปออกโทรทัศน์หลวงพ่อเคยเห็นนะเวลาไปที่มอเตอร์เวย์ไปนั่งชันข้าวร้านริมทางเลยนะเห็นเขามีข่าวมีตัววิ่งวันนี้ฟ้าสลัว ที่นี่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยต้องมาบอกเขาด้วยทําไมต้องทําอย่างเง้ยเสียเงินไหมเสียนะถูกเขาหลอกอ่ะพวกพวก่อคาเขาฉลาดนะเขาหลอกหากินกับเราหากินกับอะไรของเราหากินกับกิกกเลสของเรานี่แหละให้เราเขาเรียกอะไรนะสง่งไนเอชเอ็มใช่ไหมเออไปขึ้นครั้งละสามบาทข้อความละสามบาท เขาได้ตังค์แล้วเราได้อะไรได้เซลได้สนองอัตตาไปดูนะไปดูแล้วจะรู้สึกน่าเกลียดถ้าดูไม่เป็นก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ดูเป็นแล้วมันน่าเกลียดจะทำอะไรก็ต้องลายบอกกันตลอดวันเพื่ออะไรอ่ะถามว่าเพื่ออะไรเพื่อว่าคนอื่นจะได้รู้ว่าฉันยังอยู่ลำพังตัวเองจะรับรองตัวเองยังไม่มั่นใจพอ ต้องให้คนอื่นช่วยรับรองด้วยว่าฉันยังอยู่อย่างพวกคนใหญ่คนโตนะถึงเดือนตุลาก็เสียนแต่เดิมไปทางไหนนะักคนไหว้เป็นแถวเลยพวกข้าราชาการใหญ่ๆเกษียนแล้วนะมองมันยังไม่มองเลยพวกนี้ถ้าทำใจไม่ได้นะแป๊บเดียวก็ตายแล้วเพราะอะไรเพราะตอนนี้ไม่มีใครรับรองแล้วว่าฉันยังอยู่เพราะงั้นฉันอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วเรื่องตายเอาจริงๆนะ นี่กิเลสนะซ่อนอยู่ในใจเราประณีดลึกซึ้งซ่อนอยู่ในทุกการกระทาซ่อนอยู่ในทุกคาพูดเวลาคนมาทำกรรมฐานเราเราบอกอะมีกิเลสซ่อนไหมเคยเห็นไหมมีหรือเมตตาบริสุทธิ์บางทีบางคราวอาจจะเมตตานะแต่บางคราวสอนสอนแล้วมันสอนแล้วกูเก่ง ทั้งๆที่คนอื่นเขาดูไม่เห็นเก่งตรงไหนเลยจำๆเอามาพูดใครเป็นพี่เลี้ยงบ้างมีไหมเวลาสอนแล้วแทกเผลอๆแล้วอัตตาเข้ามีไหมสอนแล้วกูเก่งกลัวมากเลยว่ากูจะหายปากบอกว่าอยากนิพพานนะแต่หวงตัวกูโอ้เป็นคอนทราสต์อย่างแรงนะขัดแย้งอย่างแรงเลย เนี่ยค่อยเรียนรู้นะเรียนรู้ตัวเองไปเราจะเห็นสิ่งที่น่าเกลียดแล้วก็น่าตลกในตัวเองเยอะๆนะมีเรื่องตลกในตัวเองเยอะๆเลยถ้าดูเป็นทําไมต้องทําอย่างนี้ทําไมต้องพูดอย่างนี้ทําไมจะต้องกินอย่างนี้มีอะไรเยอะเลยซ่อนเล้นไม่มีใครเข้ามาสนใจดูของเรานะเราต้องดูของเราเองคนอื่นเขาไม่ได้สนใจเราเท่าไหร่หรอก เขาสนใจแต่ว่ามีเราเนี่เพื่อจะให้ตัวเขาดูดีขึ้นเพื่อเซอิฟอัตราท่านเองไม่ใครเขามาสนใจเราหรอกงั้นเราช่วยเหลือตัวเองไม่มีใครเขาช่วยเราหรอกช่วยตัวเองใช้สติใช้ปัญญานะเรียนรู้ลงมาสังเกตตัวเองไปใช้ความสังเกตไม่ต้องคิดวิเคราะห์มากเรื่องมากเกินใช้ความสังเกต กิเลสอะไรเกิดก็รู้กิเลสอะไรเกิดก็รู้ถ้าไปสังเกตได้ละเอียดนะมันจะเห็นในกะิเลสซ่อนอยู่หลังพฤติกรรมทั้งหลายพฤติกรรมทางกายทางวาจาพฤติกรรมทางใจนะมีกิเลสซ่อนอย่างบางทีเราคิดเรื่องบางเรื่องเห็นไหมคิดเรื่องบางเรื่องเคยคิดไหมเราเหมือนนางเอกเราดีอย่างโน้นดีอย่างนี้นะคิดแล้วแหมมันสบายใจนะมีความสุขหรือบางทีคิดไปนะเจ็บเจ็บแสบแสพอใจ พอใจในความทุกข์แสบๆคันๆที่เกิดขึ้นในใจนี่ข้อกิเลสนะสารพัดกิเลสเลยทีแรกก็รู้ของหยาบ ก, ก่อนต่อไปก็รู้ละเอียดละเอียดละเอียดขึ้นไปเป็นเห็นเบื้องหลังของมันเองเบื้องหลังของมันก็คือตัวอนุสัยสันดานสันดานความเคยชินของเรามันก็เลยปรุงกิเลสอย่างนี้แหละสันดานชี้โมโหปรุงกิเลสโมโหบ่อย สันดานขี้โม้ก็โม้บ่อยอย่างเงี้ยสันดานครรู้ค่อยดูต่อไปละเอียดขึ้ไปอีกเห็นอะไรเบื้องลึกเนี่ยคือความโง่ถึงขีดสุดเลยคือความไม่รู้ไม่รู้รอริยสัจไม่รู้ว่ารูปนามเนี่ยคือตัวทุกข์คิดว่าเป็นของดีของวิเศษรักใขรหวงแหนว่ารักใข้หวงแหนในรูปในนามอยากให้มันคงอยู่นิรันดร อยากให้คนอื่นรู้ด้วยว่ามันยังอยู่นะถ้าอยู่คนเดียวในโลกแล้วมันเหงาก็อยากให้คนอื่นรับรองว่าเรายัางอยู่ด้วยเนี่ยมันขยายออกไปขยายออกไปจากความไม่รู้ต้นต่ออยู่ไม่รู้ว่ารูปนามนี้คือตัวทุกข์ไปคิดว่ารูปนามนี้คือตัวเราเป็นของดีของวิเศษอยากให้คนอื่นเขาดีกับเราเขายอมรับเราด้วยมันค่อยขยายออกไปเี่สุดท้ายนั้นมันจะเข้ามาเจาะลึกลงมาถึงความไม่รู้ของจิตเนี่ย ถ้จาะลึกเข้ามาถึงตัวนี้ได้นะจิตหมดความโง่ก็แตกหักกันตรงนั้นเองแต่ยากนะต้องค่อยๆดูกิเลสมันประนีตค่อยๆเรียนค่อยๆรู้เรานึกว่าจะไปสู้อะไรกับมันจริงๆไม่ได้ไปสู้กับกิเลสหรอกแค่ไปรู้ทันมันถ้ารู้ทันมันมันก็หลอกเราไม่ได้มันก็สลายตัวไป่ที่หลวงพ่อบอกว่าสู้กิเลสสู้กิเลสไม่ได้ไปสู้อะไรหรอกนะ กิเลสอยู่ในกองทุกข์อยู่ในสังขารขันมันเป็นกองทุกข์หน้าที่ต่อทุกข์คือรู้มีตัวเดียวที่ต้องละคือตัวสมุ ท, ทยัยสมุทัยคือตัวตันหาคือตัวโลภะที่มีกำลังแหลงกล้าถ้าโลภะที่ยังไม่แรงกล้านะให้รู้เอาถ้าแรงกล้าจนถึงขนาดจะบงการพฤติกรรมแล้วเนี่ยอย่ายอมอย่ายอมให้โลภะหรือตันหาเนี่ยบงการพฤติกรรม ด้านนนเขใช้รู้เอาถ้ารู้ทันกิเลสได้ใจก็จะฉลาดขึ้นเรื่อยๆสะสมไปรู้ทันกิเลสเบื้องต้นได้ก็ได้ศีลไม่ทําชั่วเพราะว่ากิเลสหยาบๆรู้ทันกิเลส ช, ชั้นกลางได้คือตัวนิวรณ์ทั้งหลายนิวรณ์ดับสมาธิก็เกิดเอาศัยรู้ทันเนี่ยรู้กิเลสเนี่ยรู้กิเลสหยาบได้ศีลรู้กิเลส ช, ชั้นกลาง ได้สมาธิรู้กิเลสชั้นละเอียดคือความเข่าของเราความไม่รู้ความจริงวิธีที่จะทำให้รู้ความจริงขึ้นมานะการจะทำลายความไม่รู้เนี่ยทำได้อย่างเดียวคือทำให้เกิดความรู้เหมือนจะทำให้ความมืดหายไปก็ทำให้แสงสว่างเกิดแสงสว่างกับความมืดกลับข้างกันเราไม่ต้องไปหาทางดับความมืดหรอกเราทาแสงสว่างให้เกิดทาปัญญาให้เกิดแล้วความไม่รู้ก็จะดับ ปัญญาสำคัญก็คือการได้เห็นความจริงของรูปนามกายใจนี้แหละเห็นซ้ำๆๆเข้าไปจนจิตมันยอมรับเห็นทีแรกไม่ยอมเห็นทีแรกกลัวด้วยซ้ำไปว่าตัวเราไม่มีนี่กลัวเลยว้าวเวเวิเวงว่างเห็นมากเข้ามากเข้าจิตมันยอมรับนะสุดท้ายตัวเราไม่มีดูต่อไปอีกสิ่งที่มีมีแต่ตัวทุกข์ถ้าเห็นถึงตัวนี้แล้วก็คือจะข้ามภพความชาติละล้างกิเลสส่วนในสุดคือเอาวิชาได้ความไม่รู้นะ พรจริงๆก็คือเรารู้ทุกข์จำแจ้งแล้วนี่ล้งอวิชาได้เพราะรู้ทุกข์เอาสิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือรู้ปนามเนี่ยรู้ไปรู้ว่ายังไงรู้ว่าจริงๆมันเป็นยังไงแค่นั้นเลยนี่คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะไม่เกี่ยวอะไรกับที่เขาพูดพูดกันทุกวันนี้เลยเหลวไหลามากเลยเอาศาสนาพุทธไปปลอมปนนะใช้ไม่ได้ทําลายของวิเศษของโลก ต่อไปไปกินข้าวนะแล้วรู้ทันกิเลสไหม